ขอความจเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลงปู่พุทธิยานในวันนี้จะได้พูดถึงสมาวยามะในประเด็นของอนุรักษณาประทานคือเพียรพยายามรักษาคุณธรรมความดีที่มีอยู่แล้วไม้เสื่อมไปแล้วก็พยายามให้เพิ่มพูดมากยิ่งขึ้น ก็สูว่าในภาคสนามจริงๆเนี่ยภาวนาประธานกับอนุรักษณาประธานเนี่ยเป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันแล้วก็อยู่เป็นช่งชวงๆนะสมมติว่าความเมตตาเนี่ยเรายัางไม่มีอยู่ภายในใจในช่วงที่พยายามเสริมสร้างเมตตาจิตจะบังเกิดขึ้นมันก็เป็นภาวนาประธานในช่วงที่รักษาเอาไว้ก็เป็นอนุรักษณาประธาน ในช่วงที่พัฒนาต่อไปก็เป็นภาวนาประธานพัฒนาไปแล้วก็รักษาไว้ได้ก็เป็นทางรักษ า, าประธานก็ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็สรุปว่าเป็นปัจจัยเสริมซึ่งกันและกันเป็นแนวคล้ายๆกับธรรมสงครามคือหมายความว่าลุกคืบคลานไปได้แล้วก็ยึดพื้นที่ได้แล้วก็รักษาพื้นที่ เพรในช่วงที่ลุกไปมันก็เป็นภาวนาประทานในช่วงที่รักษาก็เป็นอนุรักษณาประทานและยึดครองพื้นที่ไว้แล้วก็ลุกต่อไปใหม่ก็เป็นภาวนาประทานรักษาเอาไว้ก็เป็นอนุรักษณาประทานก็ต่อกันไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งก็คือความสมบูรณ์คือหมายความว่าไม่มีกุศลที่จะต้องเพิ่ม แต่ว่านั่นก็คือพระอระหันต์นัราบใดที่เรายังไม่บรรลุมรรคผลเป็นพระหันเราก็ต้องถามอย่างเนี้ก็ทำไปเรื่อยๆแนวนี้ที่จริงจะเป็นแนวหลักที่ทรงสั่งสอนไป ม, มากกว่าแนวที่ละบาปเพราะอะไรเพราะว่ากุศลนี่ทำหน้าที่ละบาปกป็นจงอยู่แล้วพอแม่แต่สอนเรื่องละบาปมันก็ต้องเจริญกุศล กุศลแต่นั่นเองที่ทําหน้าที่ลาบบาปได้เมื่อแสงสว่างนะั้นเท่านั้นเองที่ทาําหน้าที่ขจัดมืดได้ความเย็นแต่นั่นเองที่ขจัดความร้อนได้เนะี่ยเราไปทําเองไม่ได้แต่เราจเจริญกุศลขึ้นแล้วกุศลก็จะทำหน้าที่ของเขาทั้งในการป้องกันบาปและในการขาจัดบาปและในการเพิ่มพูนตัวเองขึ้นมาลักษณะเหล่านี้ที่จริงไม่ใช่ลักษณะร่วมเป็นลักษณะที่เป็นปฏิปัติกัน ในความ่ายหนึ่งเกิดายหนึ่งก็ดับตามปริมาณตามสัดส่วนของการเกิดขึ้นถ้าเราจะเทียบเคียงแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเรารับประทานอาหารเนี่ยเราสังเกตดูว่าปริมาณความอิ่มที่เพิ่มขึ้นเนี่ยปริมาณอาหารที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันเพิ่มความอิ่มขึ้นในขณะเดียวกันความหิวก็ลดลงแล้วพอ ความอิมเกิดขึ้นเต็มที่ความหิวก็หมดไปแต่ว่ารับประทานอาหารนั่นก็อิ่มอิ่มหิวหิวนะฮะมันเป็นธรรมดาเป็นทุกประจําชีวิตมนุษย์คือเราไปแก้ไขอะไรไม่ได้เราทําได้แค่บรนเทาวันก่อนไคพูดถึงจริยาสองประการนะฮะจริยาพุทธจริยาที่จริงก็มีสามประการประการแรกก็คือโลกาัาจริยาการประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่โลก ซึ่งหมายความว่าเป็นภาระหน้าที่ที่เราสามารถโดยเสด็จโดยการปฏิบัติพัฒนาตนเองให้เป็นประโยชน์แก่สังคมที่เราเป็นสมาชิกอยู่คืออย่างน้อยที่สุดจะทําอะไรไม่ได้ก็อย่าถึงกับสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแก่สังคมและในฐานะที่เป็นลูกหลานของสกุลโดยอย่างน้อยก็ทําหน้าที่เป็นอนุชาตบุตรคือลูกหลานที่สืบ สารสกุลวงเอาไว้รักษาสกุลวงเอาไว้แต่ท้ายดีกว่านั้นก็คือเป็นอภิชาตบุตรคือทั้งบุตรทั้งธิดานั่นแหละแต่ว่ามันเป็นพระธรรมเทศนาที่สอนผ่านผู้ชายหรือบางครั้งบางคราวเราก็เกิดความสับสนนะฮะอย่างที่เวลาเนี้พวกผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่ชอบพูดว่า พระุทาสนากฎขีดทางเพศดูหมิ่นทั้งเพศกีดกันสตรีอะไรแต่ไหนเนี่ยก็พูดไปแล้วก็ยกมาหลายข้อเช่นว่าอิทธิมลังพระมจริยสสะผู้หญิงเป็นอันตรายของพรหมจันท์คือเทวดามากราบถุนถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรเป็นอันตรายต่อพรหมจรนท์พระพุทธเจ้าบอกว่าสตรีนี่เป็นอันตรายต่อพรหมจันทร์แต่สงชัยกำว่าผู้หญิงนะอิทธิมลังพระมจริยสสะ คนก็มองเป็นรูปข้องการดูหมินแต่ถ้าเราไปศึกษาเวลาสอนผู้หญิงก็สอนอผู้ชายเป็นอันตรายของพรมาจารย์นั้นขึ้นอยู่กับที่มาแต่อย่าลืมว่าเมื่อเป็นธรรมะแล้วนี่มันมีความสากลไม่ได้เจาะจงคนนะฮะคือทั้งพระทั้งคาราวาสต่างก็ต้องมีคุณธรรมเหล่านี้ด้วยกันมีมากเท่าไรได้ก็ยิ่งดี แต่มีน้อยมันก็ปัญหามันก็แยกและการต่อไปนั้นคือพุทธถจริยาได้แก่การประพฤติหน้าที่ของพระพุทธเจ้าเนี่คือรเราเห็นว่าหน้าที่ของพระพุทธเจ้าเป็นการมองโลกด้วยพระมหากรุณาในการมองสรรพชีวิตด้วยความกรุณาเป็นหลัก หมายความว่าในสายพระเนตรของพระพุทธเจ้าเนี่ยทุกคนอยู่ในถวาวรทุกข์ทั้งนั้นขนาดพระนาคามีก็ยังยังทุกนะข์นะฮะแต่อย่างน้อยก็ต้องเกิดอีกหนึ่งชาติไม่มีใครที่หลุดพ้นจากทุกข์นอกจากพุทธบุคคลสามประเภทคือพระอรหันต์ตัสมาราพุทธเจ้าพระปเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์สาวกเท่านั้นเนี่ยนอกจากนั้นอยู่ในทะเล ข, ของความทุกข์ทั้งนั้นทุกมากหรือทุกน้อยก็เป็นรายละเอียดเพิ่มก็ดูแล้วก็เป็นคนที่น่าสงสาร พระเจ้าจึงมองเขาด้วยความกัตุณาทีรับสั่งว่ากิจใดที่ศาสดาผู้เอนดูจะบึงทําต่อเธอทั้งหลายผู้สาวกดาถาคตได้ทําแล้วเพราะหลักการของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการทําหน้าที่หน้าที่ของศาสดาผู้เอนดูทีนี้เราจะลืมาหน้าที่นั้นก็มีการสั่งสอน หมายความว่าควบคุมพุทธสาวกด้วยระเบียบพินัยแล้วก็ธรรมะเป็นหลักในการปฏิบัติที่ท่านใช้คำเป็นภาษาสันสกิตว่านิเคราะห์ประเคราะห์นิเคราะห์ะะก็คือการตำหนิการทุ้งติงการลงโทษการสร้างจิตสานึกให้ประพฤติปฏิบัติไปตามเหามาะทาควรประเคราะห์ก็หมายถึงการยกย่องส่งเสริมสนับสนุนที่จริงถ้าบาลีเราเรียกว่านิการะภะนะ แต่ว่าภาษาที่เราใช้ข้างนอกเนี่ยเราใช้กันทั่วไปเรานิยมใช้เป็นสันสกฤตมันฟังและวันไพเราะดีนะฮะนี่เคราะประเคราะห์ตามควรนะแต่แม้แต่สถาบันประมากษัตริย์เองเนี่ยเวลาก็ยกย่องสรรเสริญโดยใช้นี้ครอะหประเคราะห์เพ่าะจริงๆแล้วคนเราจะใช้อย่างไดอย่างหนึ่งไม่ได้ในการทําหน้าที่เนี่ยมันไม่มีรูปแบบชัดเจนว่าทํำยังไง แต่มุ่งความเสม็จถึงภารกิจนี่เป็นเป้าหมายมันขึ้นอยู่กับสถานาการณ์ขึ้นอยู่กับบุคคลขึ้นอยู่กับกรณีว่ากรณีนี้ทำยังไงกรณีนี้ทำยังไงเนี่ยเราไปขีดเส้นเอาเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะงั้นหลักการตรงนี้เราจะเห็นว่าในฐานะของาศาสดาผู้ห็นดูเนี่ยพระเจ้าก็ปฏิบัติหน้าที่เหมาะสมสอดคล้องแก่กรณีนั้นๆในกรณีที่จะตำหนิก็มีการทำหนี เมื่อเขามีการกระทำที่ควรตาหนิยกย่องก็ควรยกย่องเมื่อเห็นเขามีการกระทำที่ควรยกย่องจะไม่ไปกำหนดที่ตัวคนแต่กำหนดที่กรรมตรงนี้ลักษณะของกรรมนเด่นชัดนะหมายความว่าคนจะสุขจะทุกข์จะรับการยกย่องสรรเสริญรับการลงโทษจะรับการรางวัลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกรรมของเขาเองมันไม่ใช่ใครที่ไหนมายกย่องหรือมาตาหนิเขา เพราะฉะนั้นหลักการตัวนี้เป็นเป็นหลักการที่สำคัญว่าเวลาเนี้ยถ้าเราลองสังเกตเวลาเราตาหนิยกย่องคนเนี่ยมันใช้อารมณ์มากเดียวเรียกว่าใช้อัตวิสัยคือใช้วิสัยตัวเองนี่มากเกินไปไม่ค่อยใช้การดีของเหตุผลคือไม่ได้มองที่กรรมเราจะมองที่คนอย่างเหตุการณ์ทางการเมืองที่พยายาม ดึงประเด็นต่างๆให้เข้าไปสู่เกมทางการเมืองแล้วก็มาต่อสู้ห้ำหั่นกันจุอ่านข่าวบางทีก็เลิอกอ่านเลยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้อ่านแหะมันรู้สึกหดขูดยังไงไม่รู้นั่นอยู่ในฐานะที่คนเขาเรียกพนันท่านเป็นอนดีตเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกตุนตรีเป็นอะไรแต่ไหนพอไม่ได้เป็นก็ท่านั้นเลยนั้นแสดงว่าใช้อารมณ์เยอะไปไม่ได้ใช้เหตุผลนี่คือจุด จุดที่เราต้องพัฒนาอีกเยอะนะมันน่าจะมีโรงเรียนในการเมืองเลยทำไปแต่สังคมเองก็มีลักษณะดังนั้นโดยเฉพาะสื่อเนี่ยมันใช้ความเดือดร้อนของบุคคลอื่นเป็นเครื่องมือในการทามายกินเพราะในภาระหน้าที่ของคนเนี่ยสำคัญมากว่าเราเราอยู่ในจุดตรงไหนของสังคมการทาหน้าที่ที่ถูกต้องนั้นพระพุทธเจ้านั้นทรงยักยยเปลี่ยนแปลงไป ตามสมควรแก่กรณีของภารกิจและบุคคลเราจะเห็นว่าบางครั้งนี่เราดูเหมือนกับพ่อที่ให้ความอบอุ่นมากบางครั้งเป็นศาสดาบางครั้งเป็นพระราชานะฮะบางครั้งเป็นผู้บริหารผู้ปก ค, ครองบางครั้งก็เป็นกัลยาณมิตรมีความอบอุ่นเอ่อสงบเย็นเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยพระพุทธเจ้าจนั่งคุยกับพระเนี่ยมันเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมาก สิ่งการทําหน้าที่อย่างนี้ของเราเนี่ยคือถ้าเราศึกษาพุทธวิธีในการปฏิบัติหน้าที่ต่อคนอื่นต่อศาสนิกในศาสนาอื่นเนี่ยคือโดยพื้นฐานของความเป็นพุทธจริงๆเราจะพบว่าเราไม่รังเกียจในด้านศาสนาแล้วพื้นฐานก็พูดเองมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าการที่เราต้องพูดต้องชี้แจงอะไรไปบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเพราะเขาลุกลานคุกคามเราเกินไป และประวัติศาสตร์เตียงบ่งบอกให้เห็นว่าในช่วงใดที่เราโมโมงประมาทเลินเล่อเพลเพลินไปไน่ะไม่ใส่ใจที่จะดูแลรักษาศาสนาเนี่ยพรศาสนาก็ถูกทำลายไปได้ง่ายๆเรื่องนี้มีคนบางคนเนี่ยหรืเป็นหามีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านพูดไว้ว่ า, ว า, วาคนไทยในเสียอย่างเดียวนะรู้ก่อนเดียนบางคนเนี่ยรู้ก่อนเดียน แล้วก็มักได้รินได้ยินเช่นว่าโอ้ไม่มีใครทำอะไรพระพุทธศาสนาได้แร้วนอกจากว่าชาวพุทธจะทำลายเองแต่ความเสื่อมของพระพุทธศาสนาที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์มันเกิดขึ้นจากกองทัพที่ควบคุมโดยลัทธิศาสนาอื่นเสื่อมจากอินเดียก็ศาสนาอื่นเสื่อมจากลังกาก็ศาสนาอื่นจากอินโดนีเซียก็ศาสนาอื่น ต้องนั้นกศาสนาอื่นนะนะลัทธิอื่นด้วยนะฮะละทัทธิกอบ น, นิตเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้พยายามศึกษาที่จะทำหน้าที่ของผู้บริษัทในการดูแลรักษาศาสน า, า, าแม้แต่ว่าสมาคมพุทธเองอย่างพุทธสมาคมเคยเข้าร่วมประชุมกับเขากี่ครั้งกี่ครั้งทุกวันก็ไม่นิมนแล้วน ะ, ะเพราะไปติงเขาทุกทีเลย ว่าคุณประชุมคุณก็ทำหน้าที่ให้ดีดีทำไมประชุมแล้วด่าพระนะประชุมกันแล้วก็ด่าพระมันไม่ใช่หน้าที่เพราะหน้าที่ที่อยากจะยกตัวอย่างมาให้ตั้งขอสังเกตนะฮะในฐานะเป็นภาพ ร, มรวมๆเนี่ยคือหน้าที่ที่ต้องมีภายในครอบครัวเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากสถาบันครอบครัวนี่ค่อนข้างจะงอนงนันคอนแครน มีปัญหาย่ารางที่น่ากลัวมากแล้วเพิ่มขึ้นทุกปีแล้วปัญหาการทอดทิ้งเด็กถารกต่างๆการทำแท้งอะไรแต่ออไรตามมามหาศ า, ศาลมากเลยเป็นเรื่องน่ากลัวมากๆเลยอย่างต่อไปนี่มันอาจจะท้องปรงตกเลยนะจะตั้งใจเป็นอุเบกขาว่าผู้ปไปกระทันนั้นเองมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาคือไปดูตัวเลขต่างๆเนี่ย เราเราตกใจนะว่าต่อไปนี่มันจะมีปัญหาเยอะปัญหาการทำแท้งปัญหาการหย่าร้างปัญหารุนแรงจนถึงก็ปัวข้าเมียเมียข้าผัวเนี่ยนั่นก็คือเป็นเรื่องไม่น่าเกิดแต่มันก็เกิดแล้วเกิดในสังคมพุทธทั้งๆที่ว่าคนเหล่านั้นไม่มีสำนึกระดับพุทธ คือถ้าสำนึกพุดได้แล้วเนี่ยไม่มีการกระทำขนาดนั้น น, นะเพราะอะไรเพราะมันมันมันเริ่มคิดก็ผิดแล้วอ่ะคือพดมันคุมมาตั้งแต่จิตมันเริ่มคิดก็ผิดแล้วผัวคิดจะฆ่าเมียก็ผิดแล้วเมียคิดจะฆ่าผัวก็คิดแล้วผิดแล้วมันไม่ต้องถึงทางธรรมครับเพราะเราจะเห็นว่าหน้าที่ของสามีพัญญาที่จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีเนี่ย พรความเป็นสามีเนี่ยเราจะเห็นว่าภายในบ้านเนี่ยมันเป็นสามีของพัญญาในขณะเป็นพ่อของลูกแล้วก็เป็นหัวหน้าครอบครัวทางองค์รวมของความเป็นครอบครัวคือทํายังไงวัวหน้าที่สามหน้าที่เนี่ยทําให้ได้ดีในทานในฐานะที่เป็นพัญญาก็เหมือนกันเนี่ยเมื่อจับคู่กับพัญญามันก็เป็นสามีไม่ใช่เมื่อจับคู่กับสามีก็เป็นพัญญา ไปจับกับลูกมันก็เป็นแม่นะไปจับกับคนชายมันก็เป็นนายแล้วไปจับกับพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายมันก็กลายเป็นเคยเป็นสะพายไปจับคู่กับพี่น้องของทั้งสองฝ่ายมันก็เป็นพี่เขยพี่สะพายน้องเขยน้องสะพายแต่แม่เนี้ยหน้าที่เป็นหน้าที่ภายในครอบครัวที่จริงแล้วเนี่ยมันมีความรับผิดชอบสูง แต่บางคนไม่ค่อยได้คิดในเรื่องเหล่านี้เพราะปัญหาเรื่องเอกภาพภายในครอบครัวภายในสกุลเนี่ยจึงไม่ค่อยหนักแน่นมั่นคงมากพอแล้วก็ที่อย่างยิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าที่สามารถดํารงคงอยู่เนี่ยมีไม่มากมันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างแย่ แต่ต่อไปก็จะเปลี่ยนแปลงไปอีกเยอะผู้เจ้าทรงสอนให้เป็นรูปปิริยาปฏิกริยาพอพันยาเนี่ยคนทําหน้าที่ยังไงในฐานะเป็นพันยาเนี่ยกับสามีคนทําหน้าที่ยังไงสามีกับพันยาเนี่ยคนทําหน้าที่ยังไงลูกกับพ่อแม่เนี่ยทำยังไงคนใช้กับ น, นายเนี่ยคนทําหน้าที่ยังไงมันเป็นเรื่องของความสดจริตใจความจริงใจที่แต่ละฝ่ายจะต้องมีต่อกัน มันมาจากพื้นฐานความรักที่ยุติด้ดยเหตุผลและความดีถึงถ้าเรามองให้ดีแล้วเนี่ยมันก็ล้อโครงสร้างของพระพุทธคุณนคือมีปัญญามีความบริสุทธิ์ใจแล้วก็มีความรักคือไม่เข้มข้นระดับพระพุทธคุณแต่ว่าล้อโครงสร้างพระพุทธคุณออกมาเมือถ้าเรามามองดูแต่ละข้อนี่จะเห็นชัดเจนเนะ จะยกย่องนับถือสถานะของปัญญานี่ก็สามีนี่ยนั้นก็แสดงให้เห็นถึงความสุจริตใจแล้วความมีปัญญาไม่ดูหมิ่นปัญญานั่นเห็นถึงความสุจริตใจแล้วก็ความรักไม่นอกใจนั้นก็เห็นความสุจริตแล้วก็ปัญญาการุณาด้วยนะความรักด้วยเนะ แล้วก็มอความเป็นใหญ่ให้นั้นแสดงถึงปัญญาและก็ความรักให้ของขวัญให้ของขวักให้รางวัลอะไรต่างๆเป็นการแสดงถึงปัญญาและความรักปัญญาเองก็มีอักษณะอย่างนีน้คือจัดการงานดีก็แสดงถึงปัญญาแล้วก็สุจริตสงคราะ์คนใกลงเคียงขอสามีดีแสดงถึงปัญญาแล้วก็ความรัก ใ น, นอกใจสามีแสดงถึงความสุจริตใจแล้วก็ความรักแล้วก็รู้จักบริหารจัด ก, การทรัพย์สมบัติภายในครอบครัวเป็นการแสดงถึงปัญญาความสุจริตใจความบริสุทธิ์ใจและสุจริตใจก็คือกันนั้นแล้วก็ขยันไม่เกียจคร้านในการงานทั้งปวงแสดงถึงความขยนันความฉลาดความสามารถ และลูกที่จะต้องทำหน้าที่ต่อพ่อแม่คือภารกิจตรงนี้ที่จริงมันเป็นเรื่องกริยาปฏิกิยาทั้งหมดไม่ใช่กะเกณ์ให้ใครคนใดคนหนึ่งทำแต่เวลาเนี้ยมันมีลักษณะของการกะเกณ์การสั่งกะเกณคนนั้นต้องเป็นอย่างนั้นคนนี้ต้องเป็นอย่างนี้คนนนตรงเป็นอย่างนนแต่นานจะสอนให พระเล็กๆมีความอาใจใส่ในกิจวัตรในการสองเสียนหนังสือในการสอนหนังสือในการรับผิด ช, ชอบตัวเองก็สวดมนต์ฉันเพลย์อยู่เรื่อยเลยนะดินบังสังสวดอยู่เรื่อยอย่างเนี้ยหรือมันเป็นปัญหาในภาคสนามเพราะว่าไปกะเกณฑ์ให้คนพวกหนึ่งทํามันกลายเป็นปัญหาความไม่รับผิด ช, ชอบ ในภารานาชี์ส่วนตัวเองก็กลายเป็นสุญญากาศสุญญากาศในจุดตรงนั้นเพราะในฐานะเป็นลกนูกก็สรงสอนว่าเพราะแม่เลี้ยงเรามาแล้วเราต้องเลี้ยงทันต่อช่วยเหลือทำกิจการงานของท่านดำรงสกุลนี่ถือเป็นเรื่องใหญ่นะฮะเพราะว่ามันมีคนอื่นเกี่ยวข้องอยู่เยอะ ปูกพันธุ์ยงใหญ่ไปสู่ญาติทัจจริยาคือการทาประโยชน์ต่อญาติแล้วก็โลกทัจจริยาทำประโยชน์ต่อสังคมนะครับแล้วก็วางตวให้เหมาะสมแก่การเป็นทายาทของสกุลซึงความคิดในแนวที่จะเป็นทายาทแบบรับมรดกเจ้าคุณเนะี่ยเจ้าคุณปู่อะไรต่อรเนี่ย ทั้งคนไทยยังชอบนิทานในแนวนี้นะแนวที่ได้สมบัติสบายสบา ย, บายถึงหวงแย่งจิงฤทธิยาต้องการจะได้สมบัติอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นมันดูหมิ่นความเป็นมนุษย์ของตัวเองเพราะบางทีในคนที่เป็นพ่อแม่สร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยความรู้ปฐมศีด้านนั่นเองตัวเองได้ปัญญาโทปัญญาเอกแล้วยังคิดจะได้มรดกจากพ่อแม่อยู่นั่นคือแสดงให้เห็นว่า ขาดความสำนึกที่ดีอย่างเป็นลัทธิของการอุปถัมภ์เกาะอิงเหมือนการวางตนเหมาะสมแก่การเป็นทายาทของสกุลได้รับสับมภารกมันจะต้องมองไปเรื่องอื่นด้วยพระกนบธระคเนียมประเพณีวัฒนธรรมจารีดของสกุลแบบแผ น, นต่างๆของสกุลแล้วก็เมื่อพ่อแม่ตายไปแล้วก็ทำบุญบุญที่กุศลส่งไปให้ อันนี้ที่จริงมันเป็นถ้าในแง่ของสังคมเนี่ยเราเห็นว่าได้ผลทางสังคมเยอะเพราะอะไรเพราะว่าอย่างวันเราทำบุญให้ปู่ย่าตายายเนี่ยวันศาส r o วันจุกวันสมัยโบราณเนี่ยมันไปไปในลูกหลานไปพบกันแล้วได้รู้จักกันคือญาติพี่น้องนี่สำคัญนะ ถ้าขาดน้ําใจขาดความเอื้อเฟื้อต่อกันแล้วเนี่ยเป็นญาติก็เหมือนกับไม่ใช่ญาติอย่างโบราณนั่นพูดไว้ว่าถึงเป็นญาติเป็นเชื้อถ้าไม่มีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนกับเนื้อนในป่าไม่ใช่ญาติไม่ใช่เชือ้อถ้ามีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออัตมาแต่การเอื้อเฟื้อเนี่ยมันต้องเริ่มที่เรารู้จักกันแต่การรู้จักกันบางคนก็เกิดมาได้เรื่อยนะ ในสุดเด็กเราเนี่ยไม่รู้จักกันโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วยังไม่รู้จักกันไหนะบางทีก็ไปทะเลาะ ก, กันบางทีก็อาจจะไปมีความสัมพันธ์กันในทางเพศโดยไม่รู้ว่าเป็นญาติกันเป็นต้นเนี่ยเพราะแนวของรุ่นปู่ย่าตายายเนี่ยท่านสร้างเอาไว้เนี่ยโปีหนึ่งนี่คนในครอบครัวคนในสกุลเนี่ย ไอ้ตระกูลน่าจะใหญ่ไปน่อยนะคนในครอบครัวเนี่ยที่ที่ที่มาจากปู่คนเดียวกันตาคนเดียวกันเนี่ยนะมาพ่อแม่เดียวกันนะพี่น้องพ่อแม่เดียวกันเนี่ยมามารวมกันที่บ้านให้ลูกหลานเป็นลูกพี่ลูกน้องได้รักใคร่สนิทสนองกันแนะนําอบรมตักเตือนกันเพราะว่า คนเหล่านี้ก็จะต้องอยู่ในโอกาสต่อไปแต่ผู้ใหญ่ก็จะต้องตายในโอกาสต่อไปคือตัวโดยปกติก็ตายก่อนเขาอะนะเพราะแนวตัวนี้ปที่จริงเป็นแนวที่น่าน่าสนใจว่าการทําบุญทุติยภูษณ์ให้แก่บรรพชนเนี่ยเป็นเป้าเนี่ยเป็นเป็นจุดที่จะรวมจิตใจของบุคคลให้มาอยู่ในจุดเดียวกันแล้วก็ทําให้ใจเนี่ยมันประสานกัน ทุกคนนัดมาพบกันโดยไม่ต้องนัดหมายนะฮะมีวันเฉพาะวันตายของใครสักคนหนึ่งวันตายของปู่ของควดของอะไรเนี่ยนะแล้วก็มาตั้งหลักมาบำเพ็ญกุศลให้ในแง่สังคมในแง่จิตวิทยาในแง่อย่างอะไรก็ตามนะฮะมันได้ผลดีเกินเกินทุนที่เราลงไปโดยเฉพาะยิ่งคือผลทางจิตใจ มันคนจะได้ความรักความอบอุ่นความเยือกเย็นอยู่ภายในเพราะว่าอยู่ทํากลางวงาาศากนอาญาพบกันปีหนึ่งสักครั้งสองครั้งหนึ่งถ้าไม่พบกันเลยเนี่ยก็รู้สึกยังไงย่อมกันนะเพราะว่าสถาบันครอบครัวเนี่ยมันก็ขยายไปถึงสกุลล้วกลายเป็นสังคม จะกลายเป็นประเทศชาติมันเป็นส่วนรวมเข้าไปสู่ประชาคมโลกในที่จริงมันก็คือสถาบันครอบครัวจะเป็นสถาบันหลักมากอันนี้คือหน้าที่แล้วคนเราในีจริงมีหน้าที่เยอะพุทธธะจริยาเนี่ยกลายเป็นหลักที่จะนำชีวิตของบุคคลให้โดยสิ็ิรอย่คนบาทพระพุทธเจ้าไปในแต่ละจุดได้ หรือว่าธรรมะที่สำเร็จรูปเป็นรู ป, ปรธรรมขุยเจ้าส่งปฏิบัติพระองค์เป็นแบบเป็นรูแล้วทั้งฝังทั้งหลายใต่รลมพุทิยานในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเปนกรรมนี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงองงามไปบูรในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี